ซูดมันไม่กี่มุ่งเนี่ยมันมีพวกเป็นอาการของกายพูดเป็นอาการของใจนะมุ่งถ้าเป็นอาการของกายเนี่ยมุ่งยังไงมันก็ต้องง่วงถ้าคนใครเคยไม่นอนวันหนึ่งเลยถามว่าคงมุ่งหนักเนี่ยนั่งจะหลับจะหลับดูคนมาสกิดนิดนึงก็เออแต่ยังไงมันก็จะหลับอยู่มันจะงุ่งมากๆเลอาการกายมันบอกว่้ไพักเลยแต่ถ้าเกิดว่ามุ่งมากๆมาสกิดนิดนึงก็ตื่นได้ มันหายไปเลยมัม่ใช่อาการกาย ร, รู้อยผมว่าทีเดจะบอกเสมอว่าให้รู้ว่าให้รู้รูปโรค ก, กับโรคให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของสิ่งเกิดขึ้นมันเป็นอาการของกายด้วยการทีใ่ใจโม่แบบเนี้ยมันเป็นอาการส่วนใหญ่เป็นอาการที่ใจถาว่าแก้ได้ยังไงเวลาเราสร้างจังหวะนถ้าทํ า, า, า, ทาช้าๆเขาเรียกว่าขึ้นชกสู้ความโม่แต่ว่า เดินอ้าแขนไปให้มันต่อยหน้าถ้าเกิดว่าทำช้าๆเฉยๆหรือว่าหลับตาพ้าโม่งแล้วข้าศึกตาสักหน่อยแล้วเดยจะสู้ไมนต่อหลับตาแต่ก็คือจบเลยมันยากที่จะสู้โม่งด้วยกานหลับตาเลยก็เลยให้ลืมตาแล้วก็ถ้ามันโม่งนะสบัดมือทำแรงๆทาให้ร่างกายมันช่วยตื่นตัวบางทีอากะท้นะสบัดมือจะได้ให้มันตื่นขึ้นมาก่อนให้มันรู้สึกชัดๆขึ้นมาก่อนเต็ตัวขึ้นมาแล้วก็ถ้ายาบัดต่อ คือทำไงก็ได้บางคนก็วิธีการก็คือเปลี่ยนท่า น, น่างก็้ลุกขึ้นยืนก็ได้เปลี่ยนิศยาบทก็ได้แต่อย่าไปยอมหลับอย่าไปงอกในถึงแล้วก็ลุกขึ้นมาที่วัดจะมีบ่อยนะพวกงงคุณเราบต่อขอลูกตาเคาะกระถดปั้มหลับหลัดูปั้มปั้มชกมือ <laughs> <laughs> ไม่ได้หลับทำท่าไม่มีอะไรเกิดขึ <laughs> ้นก็มีแต่มันเป็นกันทุกคนนะงงไม่ต้องกลัวแต่ว่า ความลับของมันก็คือว่ามันเป็นอภิจาร์หมูไม่เทียงมันเป็นทุกมมันเป็นนักตาคือมันเป็นอย่างนั้นหมดและง่วงเนี้ยมันฝืนได้นักตาเคยฝืนฝืนไปเรื่อยๆมันจะง่วงง่วงนี้นะลักษณะมันคือพมันเริ่มง่วงถ้าเกิดเรารู้ทันมันได้เร็วมันจะสลับทิ้งง่ายความลับนะจะได้ถเกว่าเราเล่นไปง่วงนี้เรา มีสติเนี่ยคือเราไม่มีสติไปทุ่มกับมาสู่เรเวทนาเนี่ยคือที่หลวงพ่อบอกมันไม่ใช่อีก่งเฉยๆนะแต่มันเป็นการไม่เข้าไปรับรู้อาการที่เกิดขึ้นไม่เข้าไปรับรู้มันสุ่มหรือทุ่มโเลยโดยเเหมือนเงือกเามันเริ่มม้วนขึ้นมาทีเี้ถ้าเริ่มมีอาการที่ถึงเรารู้ทันเนี่ยเราทำแรงๆสุดๆมันจะดีไปเลยแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันมันปล่อยมันเรื่อยๆลยวมันจะงอกมันเริ่มหนักอะไรทีนี้มันออกยากแลมันโตแล้วกินเราได้แล้ ต้องเปลี่าปวดช่วยแล้วทำอะไรๆช่วยหรือบาทีคนไม่ได้จริงๆ้วลุกไปล้างหน้าถ้ามาาันจนะเป็ี้ยนให้มันกล่อมสดชื่นเดิมไม่ได้แต่ต้องจริงๆแล้วคือต้องรู้ทางมันให้เร็วคายสังเกตุมันเริม่มพวกกันงๆมันเริ่องมยังไงมันเริ่มตาหนักหนาเหรือมันเริ่มเมื่อยแบบมัน เ, เริ่มเลอแล้วเติมอะไรยเงี้ยเป็นรเราตอบก็คือว่า เดินคือพยายามบันสังเกตตัวเองให้รลยูว่ามันเริ่งมง่วงไหมถ้ามันเริ่มง่วงทํำแรงทำเร็วๆขยับตัวเปลี่ยนท่าตั้นก็ได้ตั้งสติดีก็ได้มันก็จะหายไปสองคือถ้มันหนักแล้วทํำแรงๆฝืนมันไม่ได้ถ้าเกิด ว, ว่ามันง่วง ม, ม, ม, ม, ม, มากๆปนะีนไปมากๆเนี่ยฝืนมันพยายามรู้สึกตัวง่ายๆถ้าเดินอยู่ก็เดินเซเดินหลักเลยเดินหลักได้นะขยับเดินหลักเป็นไปสุดที่บ้าเขาเดินหลักมันเป็นบ้านเล่นเลยทนะุกคนเดินหลักยิ้มฝันไปด้วย อะไรมาก็เดินหลักไปแล้วเดินเซไปเซมาแต่จังหวะที่หลักเนี่แหละถ้าฝืนจริงเนี่ยมันจะมีจังหวะนี้มันเหี่ยวรู้สึกตัวแรงๆงะคำโน้มม้วนบีบ่็ฝึ่หายไปเลยหายไปเลยแล้วเราจะเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อโม้วม่จริงว่ะคาตอบนี e ่มีขึ้นมาเกิดมาเลยนะทำให้ดูโม้ไม่จริงมันไม่จริงแบบว่ามันเหมือนกับมีคนบอกว่า นาฬิกานี้ไม่มีจริงแต่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่มีจริงก็พูดไปก็ไม่เชื่อ<ม>วนันนึงเราอยู่ดีๆเอามือไปจับจับปล้วมันหายไปเลยมันจะมันจะแปลกใจในลักษณะนั้นเลยมันจะแปลกใจในลักษณะนั้นเลยว่าอ้าวโมฆะเรเข้าใจมันตลดอดชีวิตมันไม่จริงมันสามารถหายไปได้เลยแล้วอย่างอื่นก็หายไปได้เหมือนกัน จ, กะจะต้องพิสูจน์ตัวเองก็ต้องสู้สู้นะความโลภความโกรธความหลงเวลาเราโกรธแค่มากๆเนี่ย จังหวะที่เราสมาธิจิต ด, ดีสติเยอะๆเนมันโกรธปั๊บเมื่อก่อนใช้เวลาเป็นวันแล้วนี้ต้องกลับไปนอนเจอได้ดีไหมหายโมันจะไม่หายต้องใช้เวลาติดใจจะต้องการเวลาวัาเดียวยาถึงจะหาโกรธหายรักคนนั้นหายอะไเงี้ยจริงๆแล้วอาการพวกนี้ถ้ามีสติดีนะมันจ่อเข้ามาหาเราที่เฉยๆจิต ด, ดีๆจะโกรธปรับปั๊ทิ้งฟึกไม่โตรธเลยก็ได้ทันดีเลยนะ เราจะไหลใจมัเหมือนเหมือนคนบอกว่าอากาศเนี่ยมันจะมีเย็นมีร้อนเนี่ยโดยปกติแล้วในโลกนี้มันจะเหมือนคือถ้ามันเย็นก็จะค่อยค่อเย็นขึ้น่าเลยแต่วันหนึ่งถ้าเกิดเราฝืนนะก็จะเหมือนกับเราเดินจากห้องร้อนร้อนแล้วเดินผ่านก็เป็นห้องแอร์เลยอากาศมันจะอยู่ดิอ๋อจากร้อนมันกลายเป็นเย็นได้ไงคนที่ไม่เคยมีสิ่งนีมาก่อนจะไม่รู้ว่ามันจะเย็นได้หีืร้อนแล้วยื่นเลยไปอีกฝั่งของห้องแล้วมือเย็นแต่ตัวร้อนอยู่ มันเป็นอย่าง้มันเป็นได้ไแต่เป็นกับคนที่มีสติที่ยิงสติที่มันโตแล้วเพราะฉะนั้นเราฝึกน้ฝึกเจอสติเรื่อยๆนะต่อสยาวยมีใครมีคำถามอะไรอีกไหม่า ง, งว่างเรื่อ่ า, า, า, า, ามันไปแล้วมันก็มาอีกเรืเร่อยๆถูกมันยังไม่หา กระดูดนันกท่้านเลยที่วาดูดนั่นก็คือไปเลยมันไม่ได้มา่มุ่มันไม่ได้มาคนเดียวมันมาเป็นกองทัพตุ้ม <ach> ยี่มันมา <Window> เป็นน้องกันมาก่อนเราก็ชู่ดฝันนองมันตายเราก็ยิ้เจอนเดืนนี้เด่งองมันมาสามคนเลย mm hmm. สัาหหนึ่งเราชนะในแ้ Lions ่ละสัปดาหนึงันผ่านลูกพี่มันมานสัาห์เ็แม่เท้าสัปาห์เป็นพ่อสัาห์เป็นปู่กันจะบ้านหนึ่ง โคตรมั่วมันไนะม่ใช่คำีนไม่ใช่คำ่างมันมีคนมัมนจะค่อยๆแต่มั่วเนี่ยครูบอาจารย์เขาบอกว่าแม้ต้องไปท้าอรหันนั่นแหละมันจ ะ, จะหมดสิ้นความม่วเพราะความม่วเนี่ยมันเป็นนิวร์มันเป็นนาสวะที่อยู่ลึกในใจเี่ยที่หลวงพ่อบอ้ว่ามันจะคอยไหลออกามาเวลาเราเจอ ไม่แต่คนที่ทะลุงงแล้วผ่านงงแล้ไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปเลยนะมันยังมีอยู่นะแต่มันจะมาเมื่อไหร่เราจะเริ่มมีสติพอที่จะรู้ทันมันจะเริ่มทันมันจะเก่งขึ้นแต่ว่า เ, เราเกิดมันไยังอยู่และที่ระดับลึกลึกอย่างเห็นไหมที่หลวงพ่อทนะ่านขึ้นชา้าได้ดูทุกระเบีนาไล่ไปเรยๆสุดท้ายเป็นอาสะเป็นเป็นสวะเป็นอาสวะเป็นในระดับที่มันฝังอยู่ลึกลึกในจิต ที่จะรู้ว่าภาษาอังกฤษมันใชคว่าลีลีคือปันไหลแอบซึม อ, อถ้าเราเลอเนมันจะไม่ค่อยนซะึมแล้วมเลยมนมันแบบแต่ว่าทีนี้เราจะถ่ายถอมันได้คือเราต้องเจ ร, เริญสติเยอะๆฝึกไปเรื่อยๆแต่เาว่าทุกครั้งมันม่วนมันชนะชนะได้คนี่ตื่นจากความมัวพอดีไม่ม้วนไปนอีกแค่นาทีเยนสองนาทิตรงนะออีนะแต่ถ้าเราเผลอแปห่ยอาจจะกลับมานะอย่าไปเสียกำลังใจมาอีกก็สู้อยูก็ซ่มอีกเพื่อนทุกทล ถ้ามีค <shepherd, S 2> mm ําถามอีกก็ค่อยมาถามหลังไปเนาะตอนนี้มันได้เวลาที่เราจะฝึกต่อสู้ของความง่วงที่มัยาหมดนอนไม่อสู้แล้วนะคืนกันคือเวลาที่ควรจะนอนก็หนอนแต่เวลาที่เราจะฝึนแล้วจะไม่ควรนอนอย่าไปนอนกลางวันเลอย่าไปนอนอย่าไปทําให้มันเป็นนิสัยอย่าให้อย่าให้มันกลายเป็อาสาที่หนักน่นคือเนาะก็อาจจะมาก็ จะมีเท่านี้นะก็อยากจะอวยพรให้พวกเราทุกคนนะขอให้พวกเราทุกคนที่มาฝึกเคือได้มีโอกาสได้ได้เข้าใจนะคนที่เพิ่เริ่มกอยากให้ได้มีโอกาสเข้าใจว่าเส้นทางนี้มันมีจริงๆแล้วก็มิธีการเนี้ยนะมันทําได้จริงๆสัมผัสมาได้ด้วยความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับเราที่มันข้ามคนจากการฟังไปแล้วให้มันได้เจอกตัวเองสักน้อยนึงก็ยังดี ไ้นี่ตั้งใจะขอให้มันเดินทางเนี่ยไปได้เรื่อยได้ฝึกตัวเองได้จริงๆแล้วก็ได้ผลมาัาจริงๆแล้วก็ทาให้เราเองตัวเราได้กลายเป็นคนที่มายืนยันว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีจริงๆนะและเธอก็ทําได้คุณก็ทําได้ใครก็ทําได้ถ้าฝึกนะขอให้มันได้อยู่เราจริงๆแล้วก็ให้สติเรามีกำลังพ อ, อทจะสู้อะไรกระทำที่เข้ามาเจอพวกหมอช่างมีในระหว่างที่กลับบ้านกันต่อไปเรื่อยๆด้วยเนาะ อ uh, ่าแล้วก็มีการสรุปนะนะถูกต้องค่